สวัสดีวันนี้ก็คงจะอธิบายเรื่องฌานสมาธิเมื่อทำลงไปแล้วเนี่ยก็จะให้เกิดพลังจิตเพราะว่าพลังจิตนั่นเป็นตัวแปรที่มีความสาคัญการที่จะเป็นสมาธิได้นั่นจิตต้องเป็นหนึ่งการที่จะเป็นหนึ่งได้นั้น ก็จะต้องมีการบริกรรมก่อนที่จะบริกรรมนั้นก็มีอารมณ์มากมายกเรียกว่าอารมณ์เรือล้นเมื่อบริกรรมแล้วจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผลิตพลังจิตเป็นอัตโนมัติเมื่อทํามากขึ้นหลายครั้งเข้า พลังจิตนี้ก็จะเข้าสะสมไว้ที่จิตเมื่อสะสมไว้ที่จิตมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าแข็งแกร่งขึ้นเมื่อพลังจิตรวมตัวกันได้แล้วพลังจิตก็จะกลายเป็นกระแสจิตกระแสจิตก็เหมือน ก, นกันกับกระแสไฟเช่นอย่งอางเขาทำเขื่อน เมื่อเขาทําเขื่อนขึ้นมาแล้วเขาก็กันนก้นน้ํำพอกั้นน้ําได้แล้วเขาก็ทําช่องเอาไว้ให้น้ําออกเมื่อช่องน้ําออกเล็กๆไม่ใหญ่มันก็เกิดแรงเมื่อเกิดแรงแล้วมันก็ไปหันกลางหันเมื่อหันกลางหันเสร็จแล้วได้รอบมันก็กลายเป็นสถานีไฟฟ้า เมื่อเป็นสถานีไฟฟ้าแล้วมันก็จ่ายกระแสไฟออกไปเป็นดวงไฟเมื่อเกิดดวงไฟขึ้นมาแล้วมันก็เกิดแสงสว่างและกระแสไฟมันก็เป็นทั้งเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์คือมันเป็นประโยชน์หลายประการที่สุดเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้เป็นเอ็กซเรก็ได้เป็นการเดินรถก็ได้เป็นโทรศัพท์ก็ได้ สารพัดที่กระแสไฟฟ้าที่ควรจะผิดขึ้นเป็นได้ทุกประการทําให้เกิดประโยชน์มหาศาลอันนี้จะเปรียบเทียบให้เหมือนกันกันกบกระแสจิตกระแสจิตนั้นก็จะกลับกลยมาเป็นฌานเพราะว่าฌานนั้นจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถ้าไม่มีพลังจิตที่ให้เกิดกระแสจิตแล้ว ฌานก็เกิดขึ้นไม่ได้ฌานนั้นทำให้เกิดความสุขอย่างปฐมฌานเนี่ยก็มีวิตกวิจารปีจิสุขเอกขะตาวิตกวิจารณ์นั่นแหละคือคำบริกรรม เ, เมื่อบริกรรมแล้วก็จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วอารมณ์ต่างๆหายไปก็เกิดตัวเบาเมื่อเกิดตัวเบ า, ก, เ ก, เบาก็เกิดปีติ เมื่อเกิดปีติก็เกิดความสุขเมื่อเกิดความสุขความเป็นหนึ่งตั้งอยู่เท่าไหร่ความสุขก็จะตั้งอยู่เท่านั้นท่านจึงจัดเป็นฌานเป็นปฐมฌานขอทุติยฌานในจิตจะลึกซึ้งลงไป เ, เมื่อจิตลึกซึ้งลงไปนั้นก็อาการกิริยาก็เหลือเพียง เ, เหลือเพียงสาม ตัดวิตกวิจาร์ออกไปเสียเหลือแต่ปีติสุขเอกข้าตาคือเมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วก็พลังจิตมีอยู่แล้วกระแสจิตเกิดขึ้นลึกซึ้งลงไปเมื่อลึกซึ้งลงไปแล้วก็ไม่ต้องบริกรรมก็เรียกว่าตัดวิตกวิจารณ์ออกไปเหลือสามเรียกว่าปีติสุขเอกข้คตา ทีเมื่อจิตนั่นอาศัยกระแสจิตกระแสจิตของที่เกิดขึ้นมาจากพลังจิตนั่นก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งถึงตัติยฌานตติยฌานก็เหลือสองคือสุขกับเอกคตาเพราะว่าวิตกวิจารปีจิอะไรไม่มีแล้ว พอจิตนั้นได้ละเอียดลองยิ่งนักการละเอียดลองยิ่งนักนั้นท่านเปรียบเหมือนกันกับคนที่ได้เงินเป็นร้อยเป็นพันล้านอะไรอย่างเนี้ยแต่คนที่ไม่เคยได้เลยได้มาล้านหนึ่งี่ยดีอกดีใจเหลือเกินว่าได้มากจริงๆปื้มปิจิสารพัดแต่พอได้ร้อยล้านพันล้านไปแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นในตติยชานั้นจึงมีแต่สุขแค่เอกคตาทีนี้จิตนี่ก็จะละเอียดฌานนี่มันจะละเอียดไปตามกระแสะจิตเมื่อละเอียดไปตามกระแสะจิตแล้วมันก็กลายเป็นจตุชาฌานกลายเป็นจตุชาฌานแล้วก็มีองค์สองเอกเหมือนกันตัดความสุขออกไปเหลือแต่อุเบกขาเอกะคตา ก็เท่ากันก็เปรียบเทียบเมือกัก็วันวันได้เงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านอย่างนี้มันไม่มันเป็นของธรรมดาไม่เหมือนกับไอ้ล้านแรกที่มันได้ล้านต่อไปหลายร้อยหลายหมื่นหลายพันล้านมันก็เฉยเฉยเมื่อเลยเหมือนกันก็จตุศจารย์มีแต่อุเบกขาและเอกกาตาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในฌานทั้งสีเนี่ย มันกรงกับองค์มรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ถึงมรทแปดมรทแปดข้อที่แปดคือสมมาสมมาเทศสมมาสมาเทศก็มาจบกันอยู่ที่เจ็ดสุดฌานที่นี่ส่วนรูปฌปานนั้นก็เป็นกระแสจิตเอกเหมือนกันเมื่อเป็นกระแสจิตนี่กระแสจิตนันก็จะมากขึ้นพอมากขึ้นแล้วละเอียดขึ้นมาก็กลายเป็นอากาสานัญญาสนะ มีแต่อากาศว่างเปล่าแล้วก็วิญญาณนันใจยัตนะมีแต่ความรู้สึกอกินจัญญายัตนะนิดหนึ่งก็ไม่มีมันละเอียดยิ่งนะักพอถึงเนวสัญญาณสัญญายัตนะนั่นหมดเลย เ, เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่ารูปประชานี้ทำเข้มมากๆมันก็ ทำให้พลังจิตเนี่ยลดลงไปตามลำดับเพราะว่ า, ารูปชานันนสูด ก, กินพลังจิตไปแยะเมื่อเป็นเช่นนั้นคนเทพากันทําสมาธิไม่เข้าใจในเหตุผลทำจิตนี้ให้ลึกซึ้งโดยที่ไม่รู้จับประมาณในที่สุดนั่นก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่า สติฟันเฟือนหรือเรียกว่าประสาทหลอนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่า เ, าเป็นสิ่งเท่เทําให้ต่อไปเขาเรียกว่าโมหะเพราะฉะนั้นาการทําสมาธิที่เรียกว่ามัชชิ ม, มาปฏิปทาการปฏิ บ, บัติหนทางกลางนั้นก็คือการที่ทาําำจิตให้อยู่ในมรรคแปดสมาธิให้อยู่ในมรรคแปด อยู่ใ น, นมากไปก็คือจตสุสชาฌาเพราะฉะนั้นจตสุจชฌานนี้จึงมีความสำคัญมากพระเถระที่ท่านแสดงฤทธิ์ในอดีตนั้นเราจะได้เย็นคำว่าเมื่อท่านเข้าจตสุจชาฌามีอภิญญาณเป็นบาทแล้วก็แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆนาน า, นาเช่นนี้สวัสดีสาธุ